ไ ป, ไปในกังขาน่าสองร้อยแปดนะครับมนดูต่อคําว่ามุขทวารัง ท, า ท, าทาวารทางปากคือลําคอนี่นะ่อะจิงอยู่โพชนะจะเข้าไปทางปากก็ตามทางจมูกก็ตามทั้งหมดนั้นชื่อว่าเข้าไปทางทาว า, ปานนรปากนี่นะก็คือเรื่าลําคอนะเข้าไปทางจมูกทางตาหแล้ว่าแต่ก็ไปในคออะไรทั้นี้ เพราะเป็นของที่จะคืนกินทางลําคออคําว่าอาหารได้แก่ของที่เป็นยาวัคการิยามาการิสตากาลิสหรือยาว่าชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหมะเลยเนี่ยทั้อย่า ง, า ง, างเล ย, ย, ยที่จะคืนลูกลำคอเข้าไปนะแตถ้าไม่ได้ผ่านลําคอไม่เป็นไรเขาฉีกเข้าไปทางเนี่ยน้ํำของน้ำเกลือยาใช่ไหมฉีกเข้าไปในหนังในเนื้อ ม, มีปัญหานะครับนั่นประเพียงก็ไม่เป็นไรอืม ครับครับอ๋อขาวตะเคหรือ an> ู t <t anyway> <t ale <t ale ้ฝังใช่ไหมครับอ๋อถวายพระพุทธเจ้าผมว่ไม่ถานเนอะไม่ถ่าครับเพราะว่าองค์การขาวตะเคีไม่มีถวายพระพุทธเจ้าขาวตะเคีไม่มีครับอ๋อนี่พุทธเจ้าเป็นนิทานไปแล้วใช่ไหมนี่สบายพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับครับ เี๋ยวเรามาดูองค์นะอ๋อของการข่าประเคนนะครับ <c oughs> การขาดประเคนมีเหตุเจตประการคือนะครับหนึ่งรับประเคนแล้วเปลี่ยนเพศเป็นหญิง น, นะครับคือชายนะเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิง น, นะครับอันีจากพิสูจน์ดีแต่งเพอเป็นพิสูณีนะของที่รับประเคนแล้ก็ขาดประเคนทั้งหมดนะครับต้องประเคนใหม่นะอันนี้ สองรอบประเคนแล้วก็มอหน้าผ้าตายนะครับท่านตายก็ขาวประเคนสามรอบประเคนแล้วลาสิกฐ์ขาศึกนะครับอันนี้เนะี่ยบางทีของที่เขาเก็บไว้ใตานกุตินี่ผมสงสัยนี่เจ้าของศึกไปได้ยังไงนะแล้วตายกุศลต่างๆนะบางทีประเคนใหม่นี่ก็ดีนะครับ mm hmm. เขาไปทิ้งไว้เข้ามาอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็ทิ้งของมาในกุฏินะี mm ่ hmm. เกิดเจ้าตัวเขาศึกแรกอย่างนี้นะครับทรานนั้นก็ขาวประเคนเลยนะ ขาดไปเต็มเลยออกพวกอาหาพวกยาอะไรที่นี่นะทุกอย่างที่มันจะเกิดรุ่นลำคอนะ<ม>ลาบระเคนะหันไปเป็นคนเลวต้องแบบประปราชิกอันนี้หมายถึงว่าท่านไปต้องแบบประปราชะะิกนะครับและไม่ได้ศึกนะก็ปฏิญญาเป็นค้อพิพาตออไปเลยนะคะ<ม>รับอันม่ใชื่อว่าใครไปเป็นคนเลวนี่ก็ขาปไปเต็เลย ห้ารับประเคนแล้วให้สหําเร็จหรือค้ามผ่าไปอย่เงี้ยแล้วก็ให้เนยให้โยมไปก็ขานห ก, กรับประเคนแล้วสลักไปด้วยไม่มีเยื่อใหญ่แล้วก็สลักไปเลยนะครับไม่ฉันไม่เอาแล้วนะทำใจสลักไปแล้วอันนี้ก็ขานนะครับบางทีเราฉันอาหาเสร็จร้อเนี่ยเราก็ทําใจสลักไม่เอาแล้วใี่ไม่ก็หาอะไรจะเอาไปแล้วนะถ้าเกิดมีคนเอาขอมาถวายใหม่ แล้วก็จะเอาอาหารใส่ลงไปในจานเก่าเลย่ะไม่ได้แล้วนะพอจานเก่าแล้วมันเหลือแต่เศษอาหารเนี่ยเราสลัดแล้วไม่เอาแล้วที่ไม่เท่าจะออกไปร้านแล้วนี่มีอาหารใหม่จะมาใส่ในจานแล้วไม่ได้แล้วนะครับพอมไปโปร่งขอที่มังขาดไปแค่นีเนี่ยนั่นมายว่าสลัดไปโดยไม่มีเยื่อใหญ่เนี่ยเรากขาดไปแล้วแล้วก็ใส่ทางใหม่หรือว่าเอาไปร้านก่อนแล้วก็มาใส่นะครับเจ็ดเลาะกรเค็นแล้ว เอาไปหรือถูกลักเอาไปนะครับอันนี้ก็ขาดนะครับถูกอะไรมีโจลสมัยก่อนใช่ไหมคนอินเดียเนี่ยเยอะพวกคนโจนพวกอะไรนี่ครับมาขโมยของพากเนี่ยก็มีแล้วก็ขาดประเคนนะครับแล้วก็เซอร์วิสข้อว่าถูกสมัมเณยวิสาสาไปนี่ก็ขาดประเคนเหมือนกันนะครับไปในคุ้นกับเราดีวิาสาสะของเราไปเนี่ยของเราก็ขาดประเคนนะครับอันนี้ที่มาดูว่าถวายพระเจ้าเี่ย ครับอประเนีครับก็ไม่เข้ากระเพาะนะเนอะมองหน้าผ้าแล้วก็หมายถึงคนรับประเด็นใช่ไหมหมอหนาา้าผ้าแต่นี่อบไปถวาพุทธเจ้าเลยครับบอกถวายพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าไปผ่านะเ สลากพุชาพธาพุทธเจ้าหนี่ยคือต้องมีการให้เจอเองเองหรอหน้าจะดูในข้อที่เจสล่ะค่ะน่าจข้อที่ว่าอะไรสลาไปด้วยไม่เยื่อใหญ่นะั่นใช่ไหมทําสร็สลาดไปแล้วถามพุทธเจ้าไปแล้ ว, ลวก็น่าสงสยัยใ่สิ่งถามพุทธเจ้าค่ะโอเคไหเอาว่าเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนนะ <c oughs> เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับ ดีไปถามอาจารยทีนะไม่แน่ใจนะอาาอตอนที่ว่าเขาอุ้าสเอแล้วก็ส่งบอลใหเนเนยนรับแต่ตนนี้ยังไม่ขายต้นเปลี่ยยังไม่ขายต้นเปลี่ยนเนให้อาหารยังเราถึงผงอยู่ครับให้เนนไม่เอาวะไม่เอานี้ก็ยังไม่ขาไม่ขายเพราเราถือไว้อยู่ครับนอกจากระวังขาวขายขายก็ยังไม่ขาย กรณีถืออันนี้ก็าจะพูดถึงเกี่ยวกับการาสลักของให้เนหรือว่าเราไม่ได้สลักแต่เราให้เนนหยิบออกไปได้านี้นะครับมันจะมีส อ, องกรณีที่ว่าเอาถ้าเนนหยิบออกไปแล้วใส่คืนลงไปอีกอย่างนี้เน่ยจะถือว่าขาดประเคนเนไม่ยอมในกรณีเนนหยิบออกไปแล้วนะเนยวางที่เก่าของแล้วขาดประเคนเนไม่ยับผมถามเนี่ย คอนเสร์ตว่าขาไปแล้วยังเช่นเาตีก้านนะหนึ่งขาดแล้วสองยังไม่ขาดสามขาแล้วก็มียังไม่ขาดก็มีครับคำถามที่ว่าหรือว่าเราพิจารณาหาตามทั้งอเอ <c oughs> พอถึงสุดท้าแล้วก็ในพิจารณาต่อแล้วก็ในพิจารณาต่อทีนี้เน้นเรื่องเอาแล้วหยิบเอาแล้วนะครับอ้าวไม่เอาถุงนี้ไม่ดีใส่เข้าไปใหม่แล้วก็เรื่องถุงใหม่นี่ครับ พี่แค่หยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปที่เก่าเนยะอันนี้ขาดเคนีมอย่างเงี้ยครับครับหรือว่าตัดสินใจเอาเลยก็ได้ครับอันนี้นะเลือกเอาเลยแล้วก็วางเข้าไปอีกครับมม ข, ข้อแรกขาดแล้วข้อที่สองยังไม่ขาดประเคนข้อที่สามขาดก็มีไม่ขาดก็มีครับอันนี้ทบ้างขาดกันแล้วให้อติการให้เลือกเลยฟันเต็มว่าขาดแน่ครับไอ้บอกว่ายังไม่ขาดครับ อืมแต่อูอใสองามันมป็องตอ๋อครับนคไรก็พดยังไม่ได้สลับแต่ว่าหนไม่ได้ตอนที่ว่าเนยเข้าไปเอาของเนไปครับอ๋ออันน้ถือว่าขาดีอย่งครับของที่เนยเคลียร์แล้วเนี่ยเคลียร์แล้วเนี่ยแล้วก็ใสงก็ไปใหม่ไอ้ธงนั้นอายุถึงนั่นน่ะเขาเคได้อย่างครับไปไป ครับข้าไอันนั้นตเป็นเล่งเล่นกัแล้วก็ข่าไปเค้นนะท่้ชครับ่ไม่มีจิตใจที่จะเนี่ยเอาสามข้อเน่เนี่ยขานไม่ขานหรือว่าฐานก็มีไม่ขานก็มีอ้าช้อนข้อไหนเออช้อนข้อตาเอาข้อตุ้งตาเหมือนกันจริงไหมครับ ก็อสดท้ายถูกนะครับข้อสุดท้ายถูกนะเนี่ยเจตุบุญจะเฉลยให้ฟังนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมสืบเนื่อ ง, งมาจากที่เมื่อเด็กี้แหละนะครับขาก็มีไม่ขาก็มีครับถ้ามองว่านะถ้าเรามีการกําหนดนะครับการจํากัดว่าเน้นห้ามเกินสองถุงนะกับค่าห้างเกินสองขนมห้างเกินสอง กำหนดกันเลยนะคะรับอย่างแค่สองแค่สองอย่างเงี้ยนะของที่เนยยกขึ้นมาแล้วนะครับเือเป็นของตนแล้วนะแค่ยกขึ้นลมาถือเอานะครับถือว่าขาดแล้วนะครับค่ะประเคนแล้วเปะะ็นของเนยไปแล้วถ้าใส่ไเอีกถือว่าของนั้นขาดประเคนแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้กำหนดนะครับว่าแกจะเอากี่ถึงไปแล้วแต่เราก็อนุญาตแกถือเอาไปน ะ, ะแต่ใดที่ของนั้นนะครับยังไม่ลงไปในบายในภาชิน่าของเนยนะ แต่นั่นก็ยังไม่ขาดประเคนนะครับถึงแกจะถืออลไรก็ตามนะแต่เมื่อใดยังไม่สา่ลงไปในบานในภาชนะของตนนะครับก็ยังไม่ขาดประเคนเพราะเราไม่ได้กดําหนดนําเมื่อได้กำหนดว่าเท่าไหร่จะได้นะครับอันนี้ลองฟังคานี้นะครับท่านบอกว่านะครับทองความจริงนะแต่แกจีอาจารย์เท่างหลายกล่าวว่าถ้าแม้ว่าของที่สมณีนหยิบเอาอยู่ของในหยิบเอาอยู่นะ ถ้าตกลงในบาสนั้นคือรัประเคนหมัดผู้ที่ท่านพูดกอ่อนที่ว่าพ้าให้เนงหยิบของในบาท่านได้ใช่ไหมเนงก็หยิบออกไปแล้วเกิดของหล่นลงไปในบาอีกท่านบอกว่าพุ้นรัประเคนหมัดคานั้นบันทึกพึงทราบในก้อนข้าวสุดเป็นต้นที่วิสูกราลจากัดไว้อย่างนี้ว่าเธอจงหยิบเอาก้อนข้าวก้อนหนึ่งจงหยิบขนมชิ้นหนึ่งจงหยิบเอาส่วนเท่านี้แห่งก้อนน้ําอ้อยนี้ครับ อันนี้นะที่เรากําหนดนะคะระับพอแกหยิบเพลือก็ขาเลยส่วนในคํานี้ว่าเธอจงหยิบเอาขนมหรือข้าวสวยจาบ้านนี้ไม่มีการกําหนดนะครับอยู่เล mm. เพราะฉะนั้นของที่ตกลงในบาของสมณเณเท่านั้นจิงจะขาโอเคนะครับส่วนข้าวสวยที่อยู่ในมือของสมณเณยังเป็นของพิสูจน์นั่นเองตลอดเวลาที่สมณเณยังไม่บอกงดนะ หรือยังไม่ห้ามว่าพอละเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ขาดประเขนนะครับ่พ อ, อเราว่าได้สองแบบขาดเพิ่ไม่ขาดเพิมีอยู่ที่ว่าจํากัดหรือไม่จํากัด น, นะครับเพราะของเราไม่จํากัดอั้นดีแล้วนะในจะกี่ถึงกีดอะไรก็แล้วแต่นะครับตามไรยังไม่ลงในบ้านในภาชนะเนี่นก็ยังเป็นของเราอยู่นะครับยังไม่ขาด อดก็เท่ายังไม่ได้นียังไม่ได้บอกงดใช่ไหมว่าเอาแค่นี้หลันเดียวพอยังไม่ได้ใส่กันในปัจจุบันยังไม่ได้บอกงดนิดนงนะก็ยังไม่ขายอะยังขาย อ๋ออ๋อมีอย่างนี้นะไม่ได้ตั้งใจมันหล่นไปเองอ๋อหลงหลงไปในบาทนะ้วถือว่าลงไปในบาทแล้วไอ้พอเราตั้งใจเอาของนั้นแล้วใช่ไหมแล้วมาโปร่งในบาทอาโล่ในบาทเป็นเกมเลยเนี่ยลงไปแล้วเราจะตั้งใจไม่ตั้งใจมันลงมาลงไปแล้วนะเองก็ขาดแล้วนะอันนี้อ๋อมันก็คงจะหมายถึงวางน่าชอท อัศนานธนาอะไรกันแน่แต่ของเนยอหะเรี <c oughs> ย๋ยวผมเอาอัศนพันตัวรองไงก็วา <c oughs> งอานานัศนพันแเนี่ยางได้ใช่ใชเพราะว่านี้พูดถึงว่าในมือในละในมือเนยะส่วนข้อสวยที่อยู่ในมือของสมณะ น, นี่นะยังเป็นของวิสุทนะ <c oughs> ต่อไปนะคะับอันนี้กลับมาเ น, นี่ยนะที่แทจอวิธีใช้เรื่เกี่ยวกับไอ้กาเรื่องต่าง จะอธิบายนะอีกทีหนึ่งกิงอยู่การิกทั้งหมดนั้นเรียกว่าอาหารในที่นี้นะครับเพราะเป็นของที่จะต้องกินกินบรรดาการิกเหล่านั้นทัญยชาทุกชนิดนะครับเป็นอย่างใช่ไหมอะไรนะน้ำมันร้อะไรลองน้ำันครับมีข้าวข้าวสาลีข้าวเหนียวข้าวเปลือกข้าวบาเล่ ข้าวลมานลุกเดือยยากกับแก้โอ้ยแป๋น่าเกินนะก็อะไรเกินมาข้าเปลือกเกินมาใช่ไหมครับเข้าวมาแล้วนะครับเข้าเปือกเกินมานะแล้วก็ธัญญชาตินะครับพืชที่อันนี้เรเข้ากัธัญญชาตินะครับอันนี้ก็เข้าวฟ่างใหญ่เข้าวฟ่างเล็กนะครับลูกเดือย ไอ้พวกครอบโคก็เอานะครับพวกก็อยู่ในพวกนี้เนี่ยนะครับธัญชาติวันนั้นนะที่บอกว่าธัญชาติที่เนี้ยบุพพนาติพ่อมันเกิดก่อนนะครับไม่ใช่กินก่อนวันนั้นน้องเนี่ยก็ <c oughs> สมัยต้องกลับแนละ้วพวกธัญชาตินี่เกิดก่อนแค่บุพพนาติส่วนพว่ถูกพวกงานเกิดทีหลังคขลิวอปปนาชาติครับไม่ได้เกี่ยว่ากินนะเกี่ยวกับเกิดนะครับเกิดก่อนเกิดหลังอันนี้อันนี้นี่ก็คือธชาตินะเป็นยาบการิ มหาผลเก้าชนิดคือลูกตาลมะพร้าวขนุนสาเกน้ำเต้าแตงไทยฟัาเขียวนะครับแตงกวานี่ไม่ใช่นะแตงกวาไม่ใช่มหาผลเอามาทําเป็นหน้าปลาหน้าได้นะครับแต่แตงไทยนี่ไม่ได้แคนตะลุกนี่นก็ยังส่งข้อแตงไทยได้นะเพราะมันคล้ายๆกันนะครับมัน mm hmm. พอสงข้อได้นะก็จะจัดเข้าอะไรมหาผลนะครับ แต่จะแตงไทยหรือมันไปเกยประเทศหนึ่งใช่ไหมมันก็เลยได้ชื่อว่าแคนตาลูกนะมาสายอุจุอะไรอีกแบบมังก็เลยต่างกันหน่อยนะครับแต่เราคล้ายๆกันฟักฟักเขียวนะครับแตงโมฟักทองอันนี้นะเป็นายาวการิตอาห า, าหมดเลยแรกปรนชาตุนะครับพวกถูกวพวกอะไรทั้งหลายนะครับและของอื่นใดมีราใบาดอกและผลเป็นต้นสําหรับกินเป็นอาหาร ที่เขากินเป็นอาหารตามปกตินะครับทั้งหมดนี้ชื่อว่ายาวากาลิฉันได้ช้าช่วงเที่ยงนะครับเพราะเป็นของที่วิสูจน์ฉันได้ช่วงเวลาก่อนเที่ยงวัน <c oughs> น้ำผลไม้แปดชนิดเหล่านี้คือน้ำมะม่วงอัธบายก็ได้ยินมีอัฐบายน้ำผลไม้แปดอย่างน้ำมะม่วงน้ำกล้ว ย, ยน้ำว่านนะครับ น้ำกล้วยมีมเมล็ดน้ำกล้วยไม่มีมเมล็ดน้ำมะสาเนี่ยน้ำมะสางอยู่ผมเลยเขาพอถึงหน้ามันนะแกจะเอามาทําถวายเยอะเลยนะครับนานเลยแหละแต่ฉันยามันก็น่าส น, นานชั้นย่าเหมือนกันแต่แกจะทำไม่ครบทุกอย่างไงที่พ่องตังไว้นะก็เลยหามาครบเลยน้ำผลจันทร์นะครับหรือว่าอางุ่นนะผลจันทร์ที่ลูมันสีนึงอื่นที่มันเข้า นั่นแกก็ทํามาแล้วนะทํามาครบหมดเลยนะครับอันนี้ก็ฉันยากเหมือนกันนะแต่ที่แปลกๆที่เราไม่ค่อยเจอรู้สึกจะฉันยากนะครับคือ ม, <c oughs> มันมีกลิ่นนะกลิ่นอะไรไม่นู่นครับมผมว่าฉันยากเลยครัูกดักลูกโดไม่ได้อ๋อแต่ผมผมชอบนะบางคนแอดแต่คอม้วยนะบางคนเขาไม่ชอบผมชอบเลยบางทีทานนัอินไซน์นะครับเหน <c oughs> ื <c oughs> น่อยนะแต่นะาแก้ซุกได้เท่านี้ น้ำมะขามันจะหวานแล้วก็หวานเลี่ยนๆบางทีมันมันแค่แต่เมาใช่ไหมคับแล้วก็น้ำเล้าบนเล้าบัวน้ำมะปลาที่ชื่อว่าน้ําลาเนะอยนั้นแปดอย่างนะครับและผลไม้เหล่าใดที่อนุโลมกับผลไม้เหล่านั้นได้แก่น้ําผลไม้เล็กๆนะคมีน้ําหวานน้ำมะขามน้ํามะงูอ่าน้ํามะขวิด เนี่ยเมื่อขีดเนี่ยก็ลูกใหญ่ใช่ไหมก็ทําเป็นน้ำตาะได้แลนี่มีบอกว่าเลยนะ้นําสเคราะห์แล่น้ําผลเล็บเหยียบเป็นต้ น, นครับรู้สึกแกจะทำหมดทุกอย่างหรือไม่ทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าบางอย่างเราไม่รู้จักนั่นเองนะมีอย่างเช่นนางตะทีนะครับเป็นต้นผลไม้ทั้งหมดนั้นอรุปรสสามัญให้เนยวายโญนะครับขยําทําด้วยน้ําเย็นหรือให้สุกด้วยแดด น, นะครับได้เลครับไม่สุกด้วยไฟนะ เอาน้าไปตไากไว้ในการกรนแดดร้อนๆครับเอาน้าแบบมันถึง้ำปาน้าได้อันนี้ชื่อว่ายามากาลิกนะครับน้ำปาน่าอันนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะเป็นของที่วิสูกเก็บไว้ฉันได้ตลอดวันและคืนหนึ่งถึงในน้ำของผลไม้ใบไม้ดอกไม้ที่เหลือก็มีในมื้อเหมือนกันนะครับผลไม้เนี่ยที่มันทำเป็นน้ำปาน้าได้แล้วก็ผลไม้ทุกอย่างเ <c oughs> ว้นนะครับพว้มหาผล ชนิดนะเว้นมหาผลเก้าชนิดผลไม้อื่นก็ได้นะครับถึงแม้จะลูกใหญ่แต่ว่าไม่ใช่มหาผลเนี่ยนั่นก็อย่างที่ว่านะครับอันนี้ก็ได้นะครับนี่นะและก็พวกน้ําดอกไม้ก็ได้น้ําดอกไม้ชุดชนิดเว้นน้าดอกอะไระครับดอกมะสายนะครับไม่ได้ดอกมะสายเพราะมันจะเป็นเมลายน้ำดอกมะสายนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะเขาสามารถไปทําเป็นเมลายได้นะครับ เวน้ำดอกมะสายน้ํำใบไม้ก็ได้นะใบไม้ทุกชนิดเว้นน้ําอะไรครับใบอะไรใบทองไม่ใช่น้ำยไม่ไม่ไม่ชื่อใบไม้นะครับเว้นน้ําผักต้มนครับหรือว่าผักดองเนี่ยไม่ได้นมันต้องไม่เอาใ่ต้มนะครับใบไม้ใบไม้ทุกอย่างแม้แต่พวกผักใบเขียวเนี่ยก็ยังาทําเป็นน้ำปลาหน้าได้ครับ ขอ้ปเป็นใ บ, บก็แล้วกันนะก็ถือน้าใยไม้นครับอย่าไปต้มไปดองนะแล้วกั น, น, อนพนอเราใช่ใชนะ่นะก็ต้องน้ำอนสดๆเนี่ยนะมันทำอ๋อน้นไม่ได้เลยมันเข้าอับปัญาชาเนะไปเนะข้ายาวการเมืองจีนอะอับปัาชาอ๋อน้ำาไหนะน้าข้าวข้า่ปุโรปในนี้เนะี่ยชาเขียว ไฟมชาเนะถ้ามันไม่สุกเนีน่ไม่เป็นไรแต่ว่าเข้าไปต้มใช่ไหมมันก็เลยใช้เป็นน้าป้าน้ำไม่ได้ยพิจารณาเป็นยาไปนบนั้าวนะอย่างนั้ค่ะ วิจิตเข้าไปดูข้อมูลมาก็าไปหามามันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าไม่ได้ฟังทวัตประเพนใครได้ยินมาเนี่ยข้อมูลมันยังยังไงเน่สุบหรือไม่สุดกันแน่ ่มันก็ใช้ไฟฟ้านะมันทำให้สุกไหมทำใถ้น้ำผลไม้สุกไหมสุกไหมคือมันจะแยกเป็นความร้อนกันถ่ะระวังน้ำร้อนกับแทนวิสเวอการถ่ะแต่วันมีคนละท่อแต่ว่าเป็นการแลกเปยนความร้อนกัน เขาถ่ายกลังงานเขาถ่ายกันเอะแล้วกาเนการกเปลี่ยนคามร้นจะ่คุ้มงไาม่ะแล้วน้กจะอ่นคมระดม้ำผลไก็จะอ่ค้นอ๋อคนละอแต่ว่ามาใกล้กันค่ะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนจะอุ่นคุ้มสูงไปตามมาค่ะแล้วน้ำก็จะอุ่นคุ้มรลดงน้ำผลไม้ก็จะอุ่นคุมสูงขึ้นอ๋อมันก็เป็นวิธีก็อย่างแล้วมันสุงมามันผ่านไว้หมองก็บอกว่าผ่านแค่เดียวบางก็มอง ดูว่ามันสุกหรือเปล่านะครับถ้าไม่สุกก็ไม่แสลงถ้าสุกก็ไม่ ต้องรู้ว่ามันถ่ายความร้อนน า, ไ<อ>านไหมถึงขนาดว่าทําให้สุกหรือเปล่าต้มนั่นนะอคจะบอกว่ายังไงอ่ะต้องใช้ตัวมิเตอร์วัดจะรู้ค่ะแม้กระทั่งตั้งแดดเนี่ยเราต้องเอาตัวมิเตอร์เนีกับน้ําน้ำในผลไม้เนี่ยก็ประมาณคุณลุคือคือเพราะว่าได้ข้อมูลบางที่เขาตีว่าไม่ไม่สุกเลยนะถ้าก็ฉนันกันนะครับบางที่ก็ตีว่าไม่สุกก็ฉนันกันแต่ว่า มัสุบป่าถ้าสุกไปฉันไน่ถ้าไม่สุกก็ฉันตอนเย็นไม่น่า<ะ>ครับ แต่ละอย่างใช่ไหมก็ให้ดูไปแล้วกันว่ามันสุกหรือเปล่าอันนี้ครับผมก็บอกไม่ได้ต้องไปดูกันให้ดีนะเพราะว่าแล้วแต่พวกบางที่ก็ถือไม่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่แบบฟันทองเปี้ยมประบัตินี่นะมันไม่สุกหลอกความจริงมันแค่นี้หรือว่ามันสุกนะจริงๆนะครับเพราะว่าได้เอาสุกเนี่ยสุกด้วยแดด ถ้าก็ไม่ได้บอกตรงนี้ไม่ได้บอกนะครับไม่เหนนะพูดถึงแต่ว่าถ้าสูดด้วยแดด น, นะไม่เป็นไรกองจะเรียก ว, ว่าสูดด้วยแดดนั่นนี่นะครับเพราะเป็นของเรียกอันนี้ชื่อว่ายามะกาลิกนะครับเราพูดไปแล้วนะเพราะเป็นของที่วิสุทเก็ไว้ฉันได้ตลอดวันและคืนหนึ่งถึงในน้ำของผลไม้ใบไม้ดอกไม้ที่เหลือก็มีในนี้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นาน้ำของ อะไรบางอยา่างที่ไม่ใช่ดอกผลไม่ใช่ดอกไม่ใช่ใบนะครับเป็นพวกหัวนะหัวคุณเคี้ยวลาคุณเคี้ยวอะไรคุณนัน่นแหละที่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับอันนั้นก็ไม่ได้นะถ้าเป็นอาหารนะครับมาทำเป็นน้ำปนน้ำไม่ได้เพราะน้ำปนน้นเขบอกว่าเนะี่ยมีผลไม้ใช่ไหมแล้วก็มีใบมีดอกแค่นี้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่าง อ, างอื่เป็นของคุณเคี้ยวแล้วที่เป็นอาหารเนะะี่ย แล้วก็จะมาทําเป็นผลไม้ไม่ได้อ่ะมาทําเป็นน้ำนํำปาน้ําไม่ได้เช่นน้ำแครอทอย่างนี้นะครับแล้วมันหวัวคนเคี้ยวใช่ไหมหรือว่ามันอย่างนี้นะครับจะมาทําเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะนั่นเป็นอาหารไปแล้ว น, น, นอกบวยท่านอันใหา่ไปแล้วอันใหญ่ไปแล้วไม่มีปัญหาคุณครบอกว่าอันนี้ควรแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ตัดว่าอันนี้ไม่ควรนะคะอะไรเนะี่ย ที่สุกด้วยแดดใช่ไหมสุกด้วยแดดก็ไม่ได้บอไม่ควรกันนะ <Okay. S 2> แต่เพราะไม่ควรเนะี่ยอยู่ในอาบัติฐานนะครับเขาก็ยังไม่ปราบอาบาัติการยังไม่ปราบอาบัติกันนะว่าจะเป็นอาบาัติ <c oughs> ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่อาจารย์อยู่ในประเทศพม่าอ่ะนะครับนั่นท่านตีหนักเลยว่าถ้าสุกด้วยแดงก็ถือว่าเป็นอาหารไปเลยนะครับอย่างนั้นเลยนะเอ้ย <c oughs> มติของ ผ้าเทล่าเขามารูปหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้ให้ว่าถือเอาหรือไม่ถือเอานะครับมันถือของผ้ารูปหนึ่งถ้าว่าณน้าห น, น้าสุดด้วยไฟเนี่ยกลายเป็นอาหารไปเลยทันตีงั้นเล ย, ยนะครับ่งนแต่ว่าถ้านอะไรอะไรเปกระถาท่านก็บอกแต่ว่าไม่ควรนะท่านก็ไม่ได้มีบอกอาบันนะครับไม่ได้มีบอกอ า, านนบัตเลย ตอนนั้นสงสัยก็ว่าเอ๊ะถ้าน้ำป้าน่าที่มันสูบด้วยไฟมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นน้ำป้าน่าที่ไม่สมควร <c oughs> พอาะท่านไม่นดระบุว่าเป็นอาหารแต่ น, นี่ผูดด้ในฟังว่าเป็่มติของพระติาะชาคพระมารูปหนึ่งที่ท่านตีว่าเป็นอาหารเแต่ถ้าสว่าจาเนี่ยเราถึงจะว่ามันคือนักป้านะาที่ไม่สมควรนท่า อ๋อถ้านะป้หน้านี่ผ้าทำเองนะถ้าผ้าทําเองนี่ขันได้แค่ช้าเเที่ยวถ้าอะไรที่แบบต้อให้เนรทาทั้งหมดนะครับผาาไปทําไม่ได้นะถึงไปทําก็ขันไม่ได้นะครับพรอบไปทํานะั่นลายวิการแล้วนะเวลาไปทำมันต้องไปจับผลไม้จับอะไรมาใช่ไหมซึ่งต้องตอนแรกเป็นอาหารก่อนแล้วก็มาทำเองเนี่ยไม่ได้ครับบางคนก็บอกอนะผลมไม้มันไม่ค่อยเปี้ยวนะ ไปผ่ามานาแล้วก็มีใส่กองใส่้นีนะออไม่ได้นนไม่หรอน่าจะไปทำเงินขั้นตอนนั้นละทาไม่ได้อะไร่หรกก็ให้เนทค่อะไรทำไปนะนอกจากว่าถ้เป็นยาให้มีปัญหาครับตับช้าแล้วก็นาทำเป็นหม้อหม้อเปนรื่อพอถึงเวลาเครียดแล้วะรับให้เนทให้เนทใช้ลิศอย่างงี้นะชนะให้เนทไปแ ล, แล้วนี่นะ ก็เลยให้เนมไปแล้วอันนี้ีบอกแล้วและเนมมาถวายใหม่ใช่ไหมครับเป็นของเนมไปแล้วใช้วิธีอย่างนี้เลยข้ามีอย่างนีครับก็คือว่าาี่าหวอะไรนี้้ก็เกลือเกลือเนี่ยถือว่าเป็นยาเกลือได้เป็นไรเนี่ ถ้าพูดถึงเอาคลินเซ่เอาการบูดออนไลน์ใส่เข้าไปนะครับเกี่ขั้นตอนการทหน้าปานะ้นเพูดถึงนะครับพวกนั้นใส่เข้าไปแล้วมันก็ละลายเลยนะแล้วก็เคในวันนั้นนะเราเกลี่ในวันนั้นละลายปนน่ะมันก็กลายเป็นหน้าปตาหน้าไปที่เราพูดถึงการลิขรค้นเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อเราเกลี่ในวันนั้นนะมันคนเราคนกันนะตาาหน้าแล้วก็ละลายหมดมันก็จับข้อในพวกหน้าตาหน้าใช่ไหมครับ ในการลิลคนนะครับนั้นได้ก็คือะเพราะมาทีของที่มันเปรี้ยวมากนะเขาต้องใส่เกลือตัดนะครับถ้าไม่ใช้เกลือตัดไม่ไหวนะมันจะเปรี้ยวมากแล้วมันก็ต้องใส่น้ำตาลเพียงมากถึงมันจะหายเปรี้ยวนั้นไม่ไหวเขาต้องใส่เกลือตับแล้วไม่เป็นไรนะครับอายุมันก็กลายเป็นน้ำตาลหน้าใส น, นะครับเราละายก็สนส่วนแหมดแล้วนี่ครับนั่นะ จะให้งตั้งเงินแสนพันนคยอมองว่าคงเป็นประเด็นที่ค่าเชื้อที่ทำให้ให้ให้ใหรออรรเราหลั้องเสียรรแต่ว่าไม่ได้ค่าเชื้อที่จะจำลอาหารไม่ได้นานเพราะว่าจะจะแค่เพราะว่าจะเก็บไว้ไม่ได้เพราะว่าพวก น, นี้จะเสียบูตใช่ไหมคแต่แต่ขอ ง, างอการว่าก็มองสองประเด็นคือป้องกรรัน้องเสียด้วยแลกันอาห า, หารบูดด้วยรรเพยราะฉะนั้นน่าจะ่าขอคอนเทนต์เลยยังไม่ตอบเลยังไม่แน่ใจเนาะ เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับวาสนาให้เน่แน่ใจ น, น, นะครับเมื่อกี้นั่นเมีอะไรเนี่ยอีกปแปลนหนึ่งของครเน่ะของสเนียนใช่ปะอ๋อครับ เ, เอาไว้เอาไว้ขาวจดีทีบางทีไม่กล้าไม่ฉัยแล้วมัางอย่างไม่ชัดเจนนะครับไข่คแคมเนี่นตนยต้มก่อาไหมครับเขาไปต้มก่อนไม่ใชครับไม่ไม่ต้มเลยต<ำ>้มไม่ต้มเลยใช่ไหม ใครเดี๋ยวนนูไข่ครับนที่เอามาทอดครับเอามาทอเป็้นขาขยันครับแต่เช่วาที่เป็นไข่ขาวาแล้วใครไแงเร่ตัวไนตัวไหต้มแน่นนะครับครับแบบหนึ่งใช่ไหมครับอืมรบข่ขาวเลยครับ่นี่ข้าอทีเข้าอครับถ้าไม่สุกนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับ แม้แต่ไข่ที่เขาไปทอดแล้วนะแต่ว่ามันยังอะไรนะไอตรงไข่แดงเนะี่ยมันยังไม่สุกดีใช่ไหมนัม่นเขาพลาดเฉันไม่ได้เพราะของดิบนะครับต้องดูให้ดีนะบางทีมันเยิ้มเลยนะทางเราเขาชอบกูใช่ไหมครับอันนั้นไม่ได้ไข่ดาวอะไครับไอไข่เยิ้มมากนะไม่สุกเขาขั้นตอนวิธีการทางาบอกว่าไม่สุกเลยนะไม่ได้นะครับ เข้าไปให้ยังไงนะทําไมมันออกมาเหมื อ, อ, มมอกนกระสุกเลยนะครับแต่ความจริงไม่สุดขั้นตอนวิธีกรรมสิรานั้นเขาบอกเข้าไปดูแล้วสารคดีดูอะไวิธีทํทาไข่เยี่ยวม้าไม่สุดนะครับอันนีนะ้ไม่ได้นะครับอ่าต้องไหมอ่าไม่แน่ใจ เห็นเข้าไปดูห้องมราดูสารคดีทําไข่เยี่ยวมะขั้นตอนเขาบอกไม่ได้ไปทําให้สุกนี่ไปแล้วมันจะมีไข่ดองอะไร น, นะไข่เอาไปดองน้ำซึ่งสายชูคเขายากไข่ั้งลูกเขาไปในขวดเขาก็ยังงงเลยใส่ข้าไปได้ยังไงนี่ครับอ๋อให้เปลือกไข่นิ่มใช่ไหมครับอ๋อวิธีนั้นนะแล้วก็ใส่สาชูเข้าไปแล้วมันสุกขึ้นมายัางไงเมนู้นะครับมันไม่ได้สุก ด, ดีนะ แล้วก็เอามาเจืขวดแล้วก็มาตอกฉันกันเลยเป็นยาแก้โรค น, นะครับ <c oughs> อันนั้นไม่สุกนะน่าจะฉันไม่ได้ใช่นะครับถ้าเป็นฉันก็ไปซ่อมต่อพวกของพวกนี้น<อ>ะโดนวิ่งวิงของเค็มไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรจะโดนพวกนี้ไม่ได้เลมันจะเหลวหนเพียงเนื้ออันเนี้ยอือครับ อ๋อสุกสุกเรียกสิ่งอย่งนั้นใช่ไหมครับอืมครับก็เป็นรื่องขอสุกที่เท่าก็ถือว่าเทานั้นเองอืมครับสิ่ที่มีความเป็นกรดเป็นด่างลามหลายคนมันตช่ไหมครับมนไม่สุกไดต่อไปนนค้ับ เภสัชาอย่างมีในใสายเป็นต้นชื่อว่าสัตหาการิกนะครับในใสายในคนน้ํามันน้ําผึ้งน้ําอ้อยอันนี้ไม่ว่านะครับอธิบายไปแล้วในเภสัชศิขาบท น, นะครับอันนั้นชื่อว่าสัตหาการิกเพราะเป็นของที่วิสูทธิเก็บไว้ฉันได้ตลอด7วันเว้นจากการิกเท่าสามมียาว่าการิกเป็นต้นแรนะ่น้ำที่ไม่น่าเข้าในกา น, นั้นไม่นั่งภายในการนะฉันได้ไม่ต้อรับประเกนนะครับลากไม้และผลไม้น้อยใหญ่ที่เหลือไม่ค่อในสามข้อเลยเนะี่ยเป็นต้นใดที่ไม่ได้นับเข้าอย่างของขวนเคี้ยวของฉันผลไม้เป็นต้นเหล่านั้นชื่อว่ายาววชีวิตเป็นยาหมดเลยนะครับเป็นยาที่เหลือเนี่ยเป็นยาหมดเลยนะเพราะเป็นของที่วิสุเกบไว้ฉันได้ตลอดชีวิตในคราบที่แอบผ่านนะครับมีอายุตลอดชีวิตเลยนะ ยา้าเป็นอ้ <Raum aut en> ่ตาลศดอ๋อมันเป็นสตาแคลก็ได้ครับเป็นยามาการิบก็ได้เช่นมอ้อยสดเช่นมอ้อยถึสดครับน้ำตาลจันมะพร้าวคาราคาได้ครับได้ทั้งสองอย่างนะสองอย่างครับดยมอ้อยเนี่ยรับาะยนอ้อยเียถ้าเป็นยาเป็นยา้ ทีนีเราต้องเก็เกบเจ็ ไ, เ <สะ S 1> เไม่ถดวัแล้วทีน้เก็มานในระาเนให้เราไันเป็นนวันมโอไม่ได้น่นเป็น้พาในวันนั้นสิมันเฉพาะในวันนั้นนะครับวันหนงือคืนหนึ่งใช่ไมถ้าเลยเนั้เราก็ต้องเก็บเป็นสตานาก่อนแล้นะครับใชใช้หนพิจารณาครับแบกเป็นยานะเป็นพี่ท่านบอกี่ท่านบอกว่านำอวาน เง station, ินงบใช่ไมครัาลายน้ำฉันเป็นน้ำตาแน่เข้าใจว่าเราประเคในวันนั้นเราประเคในวันนั้นแล้วก็ราลาฉันเป็นน้ำตานะ ออไม่ต้องเกลีอกท่านบอกเอาไว้แล้ว <c oughs> ว่าน้ำอ้อยเนี่ยน้ำอ้อยสดน่าจะเคีย่ยวหรือไม่เคียย่ยวนี่แหละอะเอาเอาที่ไม่ได้เคี่ยวนะครับเกี่ยวเป็นน้ำาหน้าท่านบอกไว้เลยนะครับน้ำอ้อยเนี่ยได้ยน้ำอ้อยสดน่ได้เลยและน้ำอ้อยสดท่านก็เป็นพูดถึงในสตางค์อีกทีนึง น, น้ำอ้อยสดนะสตางค์นี้ก็พูดถึงนะครับที่เคี่ยวหรือไม่ได้เคียวเนะ่อันนี้ท่านพูดไปแล้วเราก็เลยรู้นะครับอย่างเงี้ยนะ มันต้องเอเกลือาันที่เาบอกว่านี่ยแหละนะครับนี่ต้องแช์ตู้เย็นนะถ้าเสียแล้วก็ไม่ได้เ<อ>พราะว่าถ้านะำผลไม้เสียถ้าเก็บไว้หลายวันบางทีมันลกลายเมลัยนะครับคุณจะค่าเป็นโอโซนเอนไซม์นะกลายเมลน์มันจะมีกลิ่นออกไปเจอชื่อว่าข้ช่นะคร<อ>ับบางทีเก็บไว้นานๆ น, นะพอเปิดสายาแเด้ง<ม>เลยนะครับเด้งโอ้โหไกลเลยนะ มันมันการเอะไรครับเนี่ยเข้าไปแช่ตู้เย็ยนนะเนี่ยนั่นก็ไม่ได้เก็บไม่ได้แน่นีนเรียว่า ป, ปิน า, าหน้าในวันนั้นเลยอันนี้นะครับน้ำรากยาไก่ครับน้ำรากายาาใช่หครับอันนี้เป็นยานีค่ครับเป็นยาเจ้าหมือนน้า เอไม่ใช่น้ำเหมือนน้ำเอนวอเอนน้ำตาลเนี่ยน้าลผมกับจะต้องทาคล้ายๆันแต่เ่าไปปให้ล่าผมบอกว่ก็โอม่ารวมกับก็ตามนี้กันเลยครับไม่าของมันจะหวังออมันจะเป็นอะไรดีใช่ไหครับในน้ำตาน่าก็ไม่มีนะ น้าป้าน้าก็บอกแต่วพวกนั่นใช่ไหมครับแล้วก็ผลดอกใบนะทีนี้ล่านี้ไม่ได้พูดแล้วครับนะส่วนจริงไอ้รากหา้าคามันเป็นยานะผมเคยไปนั่นมาครับตอนที่เป็นเนนะเราพ่อเป็นกับปิยานะแล้วเขาจะมาเข้าเครื่องยานะครับมันเป็นตัวยาอย่างนี้ครับรากหญ้าคานะต่อไปทา่านคําว่าอาหารระยะกือกินคือให้ล่วงลําพอเข้าไป ะ, ะทีนี้นะ คำว่าอิตธระจุทกะทรรต่าโภนาเว้นน้ำและไม้ชาระฟันเุื่อผ้าเจ้าตรัสไว้แล้วเพื่อป้องกันความสงสัยของเหล่าพิ้สูผู้มักลังเกียดด้วยสำคัญในน้ำซึ่งไม่ใช่อาหารว่าเป็นอาหารและด้วยสำคัญในไม้ชาระฟันนี้ว่านี้เป็นของที่นำมาบริโภคทางปากถ้าเราองว่าไม้ชมฤฟันเป็นอาหารเหมือนกันนะ ส่วนก็เลยตันว่าเว้นวน้ําและไม้ชำระฟันไม่เป็นไรจริงอยู่นะพิสูจนสามารถดื่มได้สบายไม่ต้องโอเคนะน้าเปล่านะครับดื่มได้เลยและไม้ชําระฟันที่สูจจะ บ, บริพ่ด้วยการบริพ่ อ, อย่างไม้ชําระฟันสมควรอยู่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเราจะกินน้ำมันเข้าไปเราก็ต้องรับประเคสนะนะไม้ชำระฟันนะครับรับประเคสอยู่ดีนอกจากว่ามาสีฟันเฉยใช่ไหม ทีนี้ไม้ชนะคนที่ผมเห็นที่เขาทำไปน่ะแบบอไอเป็นสายป่าหรือเมือชี่อว่าทำปไปนะเขาไม่ได้มาไม่ได้มาคิดทั้งท่อนแบบที่เราทำไปนะเขาเขาตายนะเขาเขามาทําเป็นอย่างดีเลยเครับใครลองนึกถึงไอพุ่มเข้าป่าไหครับที่ไม้ไผ่ที่เขาเสียพเข้าป่านะ <c oughs> และเขาฝนทําเป็นดอกลใล่ไหมทรับไม้ไผ่ทำเป็นพุ่มนะไม้ชนะคนนั้นก็ฝนให้เป็นพุ่มนั้นนะครับไอตรงปลามันจะแหลม เขาไว้จิ้มฟันได้ไอ้ตรงพุ่มก็จะเป็นพุ่มไว้สีไว้เคี้ยวนะครับไว้สีฟันข้งไหนที่เห็นนะที่พาสายป่าเขาทำกันนะครับถ้าทีดใคยเจอเขาใช้อย่างนี้น ะ, ะเขาโอ้หทั้งท่อนแบบลองนิดนึงครับมันไม่ค่อยน่าดูน่าใช้เลย <c ười> ไม่รู้จะไปสียังไงเขี้ยวนะมันหรไม่ค่อยเปนหี้เท่าไหร่นะครับ ไม่รู้พี่มากว่าาทำกันยังไงนะครับแต่นี่ที่เข้าทำคืออย่างดีสำหรับประโยชจริงทั้งสีทั้งเคี้ยวทั้งสิ้มฟันได้นะครับจะดูบ่เพราสมัยก่อนมีที่ว่าสมณีนเนี่ยเขาไปหาไม้จิ้มฟันมาแล้วก็มาถวายไว้ใช่ไหมครับท่านก็บอกทำเ น, นียบในการเอาไม้ที่ฟันถ้าเขานิถวานมาเยอะๆเราก็จะไปเอาเยอะเนี่ยอัฐละอันสองอันพ อ, อ, น, พอ น, นี่นะคนรับเปิดผลดกเขาได้หยิบบ้านอย่างเนี้ยแสดงว่ามีการหลักการอะไรอย่างดีสักหนนะ่อย ไม่นด้ตัดมาเป็นท่อแล้วก็มาใส่ดเราดูหนังสือน้องปากทองหน่อยพ่อจะมีผ้าใช่ไหมการทําไม้สีฟันนะครับเนั่นเขาจะทำหัวท่อแต่ที่ไหนเขาทำเขาไม่ได้เอาเปลือกนะ <S <S ที่เขาไปถำมขาไม่เอาเปลือกนะครับเอาเฉพอะตัวเนื้อไม้จริงนะครับคุยนอกจากคอยแล้วก็เสดาวอย่างน่าหนะครับมีคอยแล้วก็เสดาวดนะ <S <S ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเปลือก น, นี่เอาหรือเปล่า สมัยก่อนทำแบบไหนแต่ว่าชอบใจไปของที่ภาคสายปากเขาทำกั น, นะครับคิอว่า น, น่าจะเป็นลักษณะนั้นนะน่าจะข้าวว่าใจนะครับมันแลดูหน้าใช้ดูดีเลยไม่ใช่เป็นท่อนอย่างนี้เลยนะนันดูเอ๊ะยังไงข้าวไม่เป็นไรนะครับอันนี้เไม่เป็นไรถ้าใครสําเร็จประโยชน์ได้ก็ใช้ได้นะครับถ้าคิยว่านี่มีดีอะไร ก็มีอันที่สองนะครับหลายอย่างอันนี้จำไม่ได้ครับจำได้ว่าใ้ลิ้มลิ้มรั้มรอดดีนะครับขาไม่ไมีกิก้งขนนานะครับแล้วก็าื่นครับแค่นี้กลอนนะครับนนนนะะจไม่ได้ต่อไปนะครั บ, รบอ๋อคือในเวลาพิการใช่ไหม ให้เกินเข้าไป้วก็เป็นอาบัติการ์ถ้าว่านอกจากว่าอาหารนั่นนะอาหารน่ะมันละเอียดมากแบบเราไม่รู้อย่างนี้นะไม่เป็นแต่ถ้าไม่ละเอียดขนาดนั้นดรดมึ่ปลาโกนนี้ไม่ได้นะครับเกินเข้าไปในเวลามีการนี้ก็ต้องอาบัตินะครับถ้านก็จะพูดถึงนะถ้ารดจริงนะถ้ารดนะ่ะถ้ามีรดนู่นแล้วก็เกินเข้าไปเนะี่ยก็โดนนะครับแต่ถ้าหรือว่าอาหมีละเอียดไม่มีรดนะไม่เป็น เป็นอนภรรานะครัอ่าไม้ชลระฟันนะครับเอภิสูจะบริโภคด้วยการบริพ่ออย่างไม้ชลักฟันสมควรอยู่ก็เว้นน้ำและไม้ชลักฟันสองอย่างนี้เมื่อภิสูตถือเอานะครับเขาประเกนไปเมืนถือเอานะถือเอาของที่เหลือเพื่อจะกินกินต้องบัดทุกตกเถออาหารนะตอนที่ไปหยิบมาก่อนคอยยังม่ล่ประเคนครับไปหยิบมาในะต้องบัดทุกตก เพรการสี้เอาไม่ใ <sin> ช <sc mile> sure ่เพราะการปังเคนนะครับประเคนมก็ไม่ใช่นามบาดอยู่แล้วนะครับเมื่อฉันต้องบาดปานตีทุกๆคําคืนดูให้ดีนะเมื่อเทียร์สตาหาอะไรที่มันอยู่บนโต๊ะนะครับมันอดีไม่ได้ทานประเคนตอนเช้านะในไม่ทันปังเคนแต่ป้ายนะเขียวรอบประเคนแล้วมันมาอยู่คาทั้งวันทั้งคืนนะครับฟ้ามันขึ้นอย่างนี้แหละระวังให้ดีนะครับเขาไม่ได้คลิกป้ายนะ ที่ไหนครับอาจจะโดนได้นะคานี้ต้องถามว่าให้ดีสงสัยก็ถามนะครับเพราะว่าถึงไม่รู้นะก็โดนนะครับถ้าของยังไม่รับประเคนถ้าแม่น้ำของแมน้ำชลประฟันพี่สุมไม่ทันรู้ตัวเลยชอบไปข้างนั้นต้องบัดไปตีเหมือนกันถ้ารไม่รับประเคนเหตุเกิดและประเทอาบัดสิขาบทนี้ คุณพระานจ้าทรงปราบพิสุรูปหนึ่งในเมืองเวสาลีบัญญัติไว้แล้วก็เหตุคือการฉันอาหารที่ทางยกย้ําไม่ได้ถวานยนะครัไม่ได้ประเนคนคำว่าอิยตระเจกกะตากานตาโนาเวน้ำได้ไหมสําหรับนเป็นอนุบัญญัติในสิกขาบทนี้นะครับสิกขาบทนี้เป็นสาทัตนาบัญญัติพิสุนีก็มีนะครับอานันติกะไม่เกี่ยวการใช้ ใครฉันเองก็ต้องอานบัตรเองนะครับปีกับไปทีของยังไม่รับประเคสนะครับข้าใจสงสัยสัะพนติดไปฉันต้องมาทั้งนั้นอาหารที่สู่รับประเคสแล้วสําคัญว่ายังไม่รับประเคสลืมคาวามสงสัยไปฉันก็ยังต้องบัตกรกบนะครับมีสงสัยโดนตลอดเลยนะอาณาบัตรอาหารรับประเคสแล้วที่สู่สําคัญว่ารับประเคสแล้วก็ดีไม่ต้องอานบัตร พิสูจน์ชนะและเคี้ยวม้าชำระฟันก็ดีไม่เป็นไรเมื่อเกิดอาพาธไม่มีผู้ทํากัปิยะให้เทียวยามาหาวิกัลของเราสี่ยาฉันเองก็ดีเพียงแค่อธาาิบายาอะไรพิสูจนบ้าเป็นต้นก็ดีไม่ต้องอาบัตนะครับในเรื่องยามหาวิกัล น, นี้ผู้ทํากัปิยะเป็นผู้หมอกยากก็ตาเป็นผู้ไม่สามารถก็ตามก็ถือว่าตั้งอยู่ในฐานะไม่ ยามหาวิกัรก็มีสี่อย่างที่มันเล่าคือมูดคูดเท่าดินะครับเท่าดินน ะ, นนะ <_ S 1> ผมจําได้แล้วนะครับว่าไอ้พวกนี้มีประโยชน์อะไรอย่างเช่นขี้เท่าใช่ไหมขนาดไม่ใช่ขี้เท่าขนาดเป็นฐานนะไม่ใช้่ดื่ซับพิดได้เลยนะครับ <_ S 1> พวกฐาน่ยหมอเขียวเข้าไปนั่นนะอบรมหมอเขียวบอกเนี่ยฐานใช้ดู่ซับพิดได้นะครับแต่ว่าขี้เท่านี่ไม่ต้องเหมือนกันนะ นะครดูซับทิ้งได้นะนะผมเคยลองดูเอาถานนะครับตอ น, น, นแรกมีแมลงนะมันตกเข้าไปในสันไลนะ์ะสันไลแล้วมันก็เมา่นะ <c oughs> ผมก็โดนมันตายเอามานะครับมันเหมือนนอนแอ่งมาแง่งนะ่ไม่ดิ้นเลยนะครับตอนแรกมันดิน้นดิ น, ดนแล้วก็ค่อยหมดแรงหายไม่ดิ้นเลยนะนอนอย่างไรเขาจะว่ามันตายแล้วนะครับแล้วก็เอาถานเนะี่ไปใส่เข้าไปในป่ามันนะครับโรยเข้าไปใ น, น, นปใน่านเลยนะ ปาสจันนะครับมันสักพักหนึ่งนะมันกลับดินขึ้นมาครับปากมันดิมก่อนนะปากมันดินมันกินถ่านเข้าไปนะครับแล้วทีนี้มันค่อยๆริมเข้าไปแล้วก็ลุกขึ้นมาได้เหมือนเงครับแล้วก็บินไปบางทีมันไม่ทําตายหรอกนะไอ้แมลงที่มันโดนสลัยแล้วก็เอามาไมันตายมันมองโค้ชไลน์ก็ได้นะครับถึงมันจะนิ่งไปแล้วนะบางทีมันยังไม่ตายรอถ่านเนี่ยไปใส่ให้มันแล้วับฟขึ้นมาได้อนกัน ก็ตัว น, นี้มันดูซับพิษได้นะครับเนี่ยนะก็ <c oughs> จะว่าถ้าหมาแมวโดนยานะพิษแล้วก็อลองดูนะเอาค่ะมารีค่ะผงคาในการดึูดตัวผรอะไรัวเนี้ยค่ะใช่ค่ผงคาไม่ได้ค่ะแต่เจะไปเป็ น, นะะอนุภาคเล็กเป็นผงๆอะไรตัวเี้านกที่ ค, คนที่เขากินยาฆ่ากัวตายใช่ไหม ข้าวกรถ่าและให้กินใช่ไหมแต่ว่างคนก็บอกให้ออนน้ำมันเกาะน้ำมันเข้าปากมันหายหรือเปล่า เอาถ่ายดีที่สุดใช่ไหมค้รนิก็อยงก็สามารถับอพได้ด้วยกันเอานื้อไม้นึกดิบตอกแตงาเนพวกมาอเนียน้อไม้มันพืชเื้อไมนอะไรทั่วไปนะอ๋อ ไ, ไม่ใช่ไม่ใช่เน้อไมนเครื่องนะครับวิธีนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกตันนะครับพวกหมาพวกแมวนะจะไปกรอเข้าใบนะครับมันจะตายเพราะมันไม่ได้ แล้วไม่ใครเห็นหมาแม็กินอาหารหรือว่าดื่มน้ําเป็นนั่นใช่ไหมครับมัน ม, มีวิธีท่าก็ไม่รู้นะครับเข้านา้ำกรอกเข้าไปในปากมั น, น, น, นะะมันละน้ําตายครับพอมาลอกแรกกันเพี้ยนนะเวลาหมามันดื่มน้ามันใช้ลิ้นเลียเอาใช่ไหมไม่ค่อยเลียงนงั้นนะมันไม่ได้ดื่มน้ำมันแก้มนคนนะครับ <c oughs> <c oughs> ไ, ไปกรอก้าไปแล้วมันจะตายะครับถ้าค่อยปอนนั้นถ้ามันโดนนะมันต้องรู้วิธีช่วยด้วยนะครับ ถ้าเกาะว่ามันจะตายก่อนนะตายเพราะอาญาเราอะไรนะครับต้องรู้วิธีช่วยนะนะว่าสัตวแบบนั้นมันกินแบบไหนนะต้องรูวิธีเหมือนกันเนี่ยมันดูซับที่ได้ดีแต่นี้ทั้งสี่อย่างนี้แก้พิมูนได้ที่ประเทศเคมย์ข้าวลองใช่ไหมครับวิทย์เมียใครบอกก็บอกว่าให้งูกลัดใช่ไหมเหยียบให้งูกัดเลยงูกัดเลยครับ แล้วก็กินยายามหาวิการใช่ไหมครับถ้าประสมไว้เรียบร้อยแล้วอ๋อครับแล้วก็ขันยาเข้าไปคอ๋อหายอ๋อมีควันต่อเลยใช่มั้ยครับอ๋ออันไันล่ะครับ มือห่วงใช่ไหมครับที่มันแผ่ไม่เบี้ยได้นี่นะโอ้โอันตรายนะครับพอพอสัญญาอไปแล้วมันมีอกนะครับเระเาขีดออกนะครับเนี่ยนะมูดพูดเข้าดินนะครับอุจจลระนะครับของเราเองแหละนะมูดก็ปัสสวะนะครับปัสสาวะอุจจาะแหละนะครับขี้เท้าแล้วก็ขี้ดินดินธรรมดานะ สมัยก่อนมันแ่ได้ยินนะเขาบอกว่าถ้าต้องเขี้นี่ไปติ้งไปต่างแดงให้ดีกันนั้นแล้วก็ไปปิ้งเนี่ยแล้ก็เนี่ยท้าวก็ของของขเราเองนะคะได้ของพวกอื่นอันตรายนะเพราะว่าจะไปติดเชื้ออะไรกันนะครับถ้าจะทําก็บดใช่ไหมแล้วก็ใส่แคบสูตอะไรก็แล้วแต่นะ เประสมครับไม่ต้องรู้เหชือนชามีกำกำคือด้ว่ยไปนี่นะถ้าใคราะทำนะใส่แคปซูลแล้วไม่รู้หรอกใช่มมันก็ช่วยได้นะครับผมรู้ว่าปี่องไม่กินแล้วโอ้ยถึงจะหาอาการไดะไม่แน่นะเกิดมัวอันตรายนะครับไม่กินอ่ะตายแน่นะ ขาาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาแขางขาเขาเขอเขาเขาเขาเขาเขาเอาเขาเขาเขาเขาเขาเอาเขาเขาเขาเขาเาเขาเขางขีเขาเเขาเขาเขาเขาเเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขเาา ออมาตำละเอียดใช่ไหมครับเอาวุ้ยระให้แห้งก่อนวุ้จระแล้วก็คิดเท่าแล้วก็ดิมให้แห้งแล้วก็มาตาให้ละเอียดผสมกันใส่เข้าไปแล้วก็ใ ส, ปส่สปัสสาวะทีหลังอืมครัเป็นน้นนกลายเป็นน้ำไปเลยเนนอันไหนวิธีอย่างเงี้ยนะเป็นน้ำนะครับใส่ขวดส่ไลน์เก็บั่เลยป็นนิสิตะใช่ไหมไอเด็กเป็นป น, ป น, นิสิได้เหรอ อันนี้นะครับในกรณีสิมนเชิญเนี่ยกรณีสิ้นเชิญนี่ยไม่ต้องรับประกันสามารถอยู่ออกมาฉันได้เลยนะครับในกรณีสิ้นเชิญเนี่ยนะไม่สามารถเอามาฉันได้เลยนะครับเพราะบอกว่าเมื่อเกิดอาถ้าไม่มีผู้ท้าวกับปิยะให้นะครับเนหรือว่าโยมที่ประเันให้ไม่มีเลยนะอันนี้เอามาฉันได้เลยนะครับในเรื่องยมามหาวิกานี้ผู้ท้าวกับปิยะเป็นผู้บอกายากก็ต่างนะ ในไม่รู้เรื่องบอกแล้วก็ไม่รู้เรื่องอหรือว่าไม่ทําตามนี่นะบอกอยากบอกเย็นครับก็เชื่อไม่มีเป็นผู้ไม่สามารถก็ตามหามให้ไม่ได้นี่นะก็ถือว่าตั้งอยู่ในฐานะที่มีนั่นแหละทั้งที่สุดก็สามารถหยิดเอามาฉันได้เลยหรือไม่ต้องแคร์ปเด็นะครับเมือ่อไม่มีที่เท่าที่สูบเผาฟืนแห้งหรือเมื่อฟืนนั้นไม่มีตัดไม้สดจากต้นไม้นะครับ นี่ไม่ต้องอาบัตนะไม่ก่อนฉุนเฉินก็ได้หมดเลยทําเป็นยาหรือขุดดินเพื่อจะเอาดินเหนียวควรทั้งนั้นนะครับโดยที่ไม่ต้องอาบัตอะไรใท้ตัวนะในเวลามุงกับวิปเจ้าทรงนิยามพิเศษ น, นะครับให้รักษาตัวไว้ก่อนในตรงนี้นะครับได้ไม่เป็นอาบัตก็ยามมหาวิการทั้งสี่อย่างนี้เป็นของอนุญาตจาพ่อการที่สุจริตถืออาเดชตนเองในขณะที่ถูกมุงกัดก็ควร ท่านบอกว่าไม่ใช่เงินกันอย่างเดียวแม้ว่าสัมีพี่เนี่ยอื่นพวกตะขากำเนี่ยที่มีพี่ได้รับนะครับก็เอานี้มาฉันได้เหมือนกันนครัในการอื่นเวลาที่ไม่ได้ถูกมือกันไม่ได้ถูกูเชิญอย่างเงี้ยนะต้องรับประเคงก่อนจึงฉันได้อันนั้นองค์อาบาสิกาบุนนี้มีองคศีคือหนึ่งอาหารที่สุยไม่รับประเคง สองไม่ใช่เป็นของที่พระพาคเจ้าทรงอนุญาตพิเศษก็อะไรนะอมตะทีนะครับมหาวิการนี่แหละสามไม่ใช่เป็นของอภูหาริษทเช่นควันเป็นต้นนําพวกอภูหาลิกนะครับหรือน้ำบอกว่าเวลาเรากินอาหารไปเนี่ยพวกควันมันก็ต้องสึกหลอธรรมดาใช่ไหมอันนี้ก็อภูหาริกถ้าเราไม่รู้หรอกมันสึกหลอไปเรื่อยหรือว่าเอายาเป็นบทในเครื่องบทยาในโม่เครื่องบดมันก็สึกหลอไปใช่ไหม มองเข้าในนี้ด้วยก็เป็นอภหะฤกษ์แต่ไม่เป็นไรนี่นะอภหะฤก็์แปลว่าไม่ควรกล่าวว่าเป็นอั น, นบัตคือเป็นของเล็กน้อยมาก่แล้วก็สีที่สูบเกินกินเมื่อครอบองศีก็เป็นอันบัตไปที่ในสิขาบทนี้นะครับ <c oughs> สงขานเป็นต้นเหมือนกับในเอละกะโรมัสสิขาบทแรคือสิฐานเท่าไหร่ครับสองคือ กายแล้วก็กายจิตนะครับต้องมีกายกายฉันนะจิตจะรู้ไม่รู้ต้องแบบทั้งนั้นนะครับวันนี้จบการอธิบายธรรต่างโตนะข่าวบทโภชนาวักคที่สี่